ถ้าเห็นในลักษณะนี้ความรู้สึกว่างเปล่าวความรู้สึกวางเฉยก็จะบังเกิดขึ้นก็เลยจิตสลัดออกตรงนี้ยสลัดออกจากการยึดถือสลัดออกจากความยึดถือแล้วก็วิชานี้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นจะไม่มีใครนํามาบอกล่ะการมองแล้วให้เห็นเป็นความว่างเปล่าเนี่ยจะจะไม่มีใครมาบอกล่ะบุคคลที่รู้คือพระสัพพัญยุตยานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านไปรู้มาลักษณะนี้แล้วท่านก็นํามาบอกพวกเรา แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยนะคือเหลือวิสัยที่จะเข้าไปกําหนดรู้ใช่ไหมเรามาทดลองแล้วเหลือวิสัยไหมมาฝึกตามตามตามสเตปของสติปัฏฐานสี่ประการที่ท่านแสดงไว้เนี่ยอ า, อยาพอเรามาฝึกสักระยะหนึ่งเราก็เริ่มลื่นไหลสติกําหนดได้ตรวกสอบแต่จานั้นเนี่ยเราก็ทําให้มากขึ้นพอทําให้มากขึ้นภาวะของจิตก็จะละเอียดขึ้นพอละเอียดขึ้นก็จะรู้เท่าทันมากขึ้นพอรู้เท่าทันมากขึ้นพอรับสุดท้ายก็เข้าไปเห็นตามตามเป็นจริง กระบวนการทั้งหมดที่เราได้ฝึกมาเนี่ยจะไปสู่ภาวะแห่งปัญญาตรงนั้นจะทําให้ปัญญาเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยการฝึกนั้นจึงไม่ไร้ผลไงแต่เราจะต้องหวังผลให้ตรงประเด็นนะมีหลายท่านยังหวังผลไม่ตรงประเด็นอยู่คลั้งต่อมาก็ต้องถามย้ำว่าโยมต้องการอะไรโยมก็บอกว่าทําไปแล้วจิตมันไม่สารวมมันไม่รวมตัวแล้วเราก็ต้องถามว่าทาเพื่ออะไรโยมจะเอาอะไรอยากได้อะไร ยมก็ตอบออกมาอย่างมั่นใจว่าต้องการปัญญาต้องการสติต้องการปัญญาก็เมื่อต้องการสติและปัญญาทำไมไม่เอาสติและปัญญาทำไมจะไปเอาความสงบความเบาความสบายความตั้งมั่นแห่งจิตความสงบความเบาความสบายความตั้งมั่นแห่งจิตไม่ใช่ปัญญาเนี่ยความสงบแห่งจิตไม่ใช่ปัญญาน่ะจิตที่ไปสงบในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั้นไม่ใช่ปัญญาเพราะจิตรู้อย่างเดียวแล้วก็ทาให้จิตผูกพันอยู่ ไม่ยอมไปรับรู้อารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏไม่ต้องมาเอาเสียงอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเสียงที่ดังชักชัๆชเนี่ยไม่ใช่เสียงเดียวนะเสียงเสียงเสียงฝนตกลงมาเนี่ยถ้าเราบอกเป็นภาษาบัญญัติก็คือฝนตกลงมาเสียงดังชักชักชักชักแต่ท่านทนายลองสังเกตให้ดีเลยสังเกตให้ดีๆนะเนี่ยเสียงนั้นเนี่ยก็จะมาเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆจะมีเสียงที่ชัดเจนเนี่ยเข้ามาสูโสตประสาทเราหนึ่งเสียงเราสังเกตให้เห็นว่าเขาหมดไปและเขาหมดจริงๆด้วยเสียงนั้นเขาหมดไป แ้วก็เสียงอื่นก็มาอีกพอมาอีกก็หมดอีกมาอีกก็หมดอีกเนี่ยเราก็ดูอยู่อย่างเนี้ยมาอีกหมดอีกมาอีกหมดอีกมาอีกหมดอีกสติก็ต้องไปรับอยู่เรื่อๆยๆเงี้ยสติเนี่ยจะต้องไปรับรู้อยู่เรื่อยๆสมรรจก็รู้อยู่เรื่อยๆแต่คขาเนี้ถ้าจิตเกาะดิ่งก็แล้วจะไปรู้ได้ไหมเนี่ยเกิดไปกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยหรือไปกําหนดพองยุบจนจิตตกจากอาการแล้วส ง, งบอยู่เงี้ยจิตก็ไปสงบเบาอยู่ถามว่าจาิตจะออกไปรู้เสียงแช่ๆๆอะไรนี่มันก็ไม่ออกไปรู้ ให้การจะออกไปรู้อย่างนี้จิตต้องตื่นความสงบออกไปรู้ไม่ได้เราก็จะต้องเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยเรามาพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญ า, วาเวลามาพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเราก็จะต้องกล้าหาญคือการปฏิบัติเนี่ยต้องมีความกล้าหาญถ้าขาดความกล้าหาญแล้วปัญญาจะไม่เกิดคําว่ากล้าหาญกล้าหาญในอะไรอะกล้าหาญในการที่จะสลัดความสงบออกจากจิต แล้วก็ออกไปรับรู้อารมณ์ที่ปรากฏอยู่ถ้าขาดความกล้าหาญจิตก็จะติดอยู่กับความสงบอะนนั้นประการที่หนึ่งกล้าหาญในการที่จะไม่พ่ายแพ้กับความรู้สึกเกลียดคล้านเจิตเขาไม่ยอมระลึกถึงสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเรียกว่าขาดเรียกว่าเกลียดคร้านแหละเราก็จะต้องอาศัยความกล้าหาญในการระลึกถึงในการรู้สึก ขาดความกล้าหาญจิตก็จะไม่ไประลึกไม่ไปรู้แล้วก็กล้าหาญนะในการที่จะสลัดความเพลิเพลินออกจากจิตต้องอาศัยาาความกล้าหาญทั้งนั้นแล้วความกล้าหาญเกิดจากอะไรอ่ะความกล้าหาญก็เกิดจากความภาเพียรงนั้นความภาเพียรเนี่ยทําให้จิตกล้าหาญวิริยะคือตัวกล้าหาญนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงให้เรามีวิริยะ ขาดวิริยะแล้วสติก็ไม่เกิดสัมปชัญญะก็ไม่เกิดขาดวิริยะแล้วจิตก็จะไปเพลินอยู่กับความเบาความสบายขาดวิริยะแล้วจิตก็จะพ่ายแพ้ต่อทีณามิตะขาดควญญามกล้าหาญแล้วจิตก็จะไปพ่ายแพ้กับความรู้สึกเกียรติขลานผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องกล้าหาญไอการจะกล้าหานก็ต้องเข้าใจก่อนนะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่กล้าหาญคือเราจะต้องรู้เราทําไปเพื่ออะไรก่อน แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยมันมันสวนกันะสวนกระแสไอ้ที่เราเคยเข้าใจมาตั้งแต่ดึกดําบรนเนี่ยและเราบัจลอวิปปัตนาเนี่ยมันเดินสวนทางกันหมดมันสวนทางกันอย่างไรอ่ะไอ้การปฏิบัติธรรมเราเข้าใจว่าจะได้รับความสงบจะได้รับความสุขจะได้รับความเบาจะได้รับความสบายนี่คือความรู้สึกเก่าๆที่เราปลูกฝังกันมานานแต่เวลามาปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น เวลามากระทำความเพียรเนี่ยสงบไม่มีเบาไม่มีสบายไม่มีและสุขก็ไม่มีที่เรากระทำไปเนี่ยที่เราจะไปพบก็คือพบแต่ทุกเราจะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะที่เราจะไปประสบพบเนี่ยมีเป็นแต่เรื่องของทุกเป็นแต่เรื่องของสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้มาทางตาก็เป็นทุกทางตาให้เห็นมาทางหูก็เป็นทุกทางหูให้เห็นมาทางจมูก <nin> ก <j> uh> ็เป็นทุกทางจมูกมาทางลิ้นก็เป็นทุกทางลิ้น มาทางกายก็เป็นทุกข์ทางกายมาทางใจก็เป็นทุกข์ทางใจนั้นเราก็จะประสบต่อทุกๆทุกๆอยู่ตลอดสุขก็จะไม่มีเบาก็จะไม่มีสงบก็จะไม่มีพอเราไม่เข้าใจเราพี่โอยไม่ได้อะไรเลยมาปฏิบัติเจ็ดคืนแปดวันนี่ไม่ได้อะไรเลยสงบสักนิดเดียวก็ไม่มีถ้าไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเราเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือให้มีสติและสัมผััญญะเราระลึกรู้ได้บ้าง สติสัมปชัญญะเกิดแล้วได้แล้วได้แล้วเราก็ได้แล้วสภาพทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอารมณ์ของสติได้ทั้งหมดวันนี้ไฟดาบเครื่องปรับอากาศไม่มีกลายเป็นอย่างไรบ้างร้อนร้อนใส่ใจไม่เป็นก็จะทำให้เกิดอาการหงุดหงิดใส่ใจเป็นร้อนก็จะไม่เป็นอุปสรรคเราไปใส่ใจว่าไม่ดีเลยร้อนเหลือเกินอาการหงุดหงิดทางใจก็จะเกิดขึ้น ถ้าใส่ใจในสภาพร้อนที่กระทบกายร้อนเป็นอายตนะภายนอกร้อนมาจากข้างนอกมาทำหน้าที่กระทบกายเราเข้าไปอาศัยกายแล้วก็รู้สึกร้อนอการรู้ร้อนต้องอาศัยกายรู้นะอาศัยกายรู้พอเราไปอาศัยกายและเรารู้สึกร้อนสติก็ระลึกถึงความร้อนพอสติอยู่กับความร้อนสรรมปัญญาก็อยู่กับความร้อน แล้วก็ร้อนเนี่ยถ้าเราไประลึกถึงแล้วเราก็จะเห็นร้อนทําหน้าที่กระทบเขามีหน้าที่กระทบทบแล้วกระทบอีกกระทบแล้วกระทบอีกกระทบอะไรกระทบกายพอไปใส่ใจระลึกเราก็จะเห็นว่าร้อนเนี่ยพอกระทบเสร็จแล้วก็ดับกระทบเสร็จแล้วก็ดับแั่งก็จะเห็นแต่สภาพของร้อนเกิดร้อนดับร้อนเกิดร้อนดับพอมองเห็นว่าร้อนเกิดร้อนดับเห็นความเกิดความดับของของความร้อนจิตก็จะวางเชืออีกแล้หรือไปรู้ทันในสภาพร้อนจิตก็จะไม่ปรุงแต่ง เป็นไปในลักษณะไม่ดีงวดเหงียดก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าใสใจทันเนี่ยใส่ใจทันตัวร้อนความร้อนก็จะไม่มีเป็นสิ่งที่แปลกนะตรงเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ใจทันเราก็จะรู้สึกว่าร้อนถ้าใส่ใจไม่ทันเนี่ยนะมันก็จะรู้สึกร้อนงวดเหงียดแต่ไปกําหนดทันเนี่ยก็จะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่งวดเหงียดลองลองลองสังเกตดูนะอันนี้เป็นเรื่องอะไรนะที่นํามากล่าววันเนี้ย จ่ิงๆมันเลยเลยนะไม่ใช่กายไม่ใช่เรื่องของกายนะที่พูดกันวันเนี้เป็นเรื่องของสภาพธรรมตรงนี้ท่านจัดท่านจัดไว้ในหมวดไหนอของสติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านจัดไว้ในธรรมานุปัฏฐ า, านตรงนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยเป็นโผฏฐพายตนะเรื่องกระทบกับกายายตนะ การเข้าไปกำหนดในสถานะว่าร้อนมีอยู่ก็เพียงสักแต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้เท่านั้นท่านให้เราไประลึกรู้สภาพของความร้อนนะที่เกิดขึ้นแล้วก็ไประลึกรู้ถึงสภาพของความร้อนที่ดับไปไประลึกถึงความร้อนที่กำลังเกิดและกำลังดับต่อจากนั้นก็ให้เราเข้าใจว่าสภาพร้อนนั้นเนี่ย มีแล้วเราจะเอาประโยชน์จากร้อนได้อย่างไรอย่าลืมในะประโยชน์หลักของเราเนี่ยเราจะต้องจำเป็นกรณีพิเศษว่าการปฏิบัติธรรมนั้นน่ะสิ่งที่เราจะได้รับจะมีเพียงสองประการเท่านั้นเองสองประการก็คือสติและสัมปชัญญะนั้นร้อนมีอยู่สติระ ล, ลึกถึงได้เอาประโยชน์จากร้อนคือทำให้สติเกิดร้อนมีอยู่เอาสัมปชัญญะเข้าไปรู้ได้ดังนั้นร้อนก็มีประโยชน์ทาให้สัมปชัญญะเกิด งั้นเราได้ประโยชน์จากความร้อนก็คืออาศัยร้อนเป็นอุปกรณ์ระลึกให้สติเกิดอาศัยร้อนเป็นอุปกรณ์ให้รู้สึกให้สัมปชัญญะเกิดสิ่งที่เราได้รับก็คือสติระสัมปชัญญะได้รับความม่วงไวของจิตสติระลึกได้ไวสัมปชัญญะรู้สึกได้ไวอันนี้เป็นเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องที่ที่นํามากล่าบเลยเล่าไปยืดยาวนะประสบการณ์นะ ก็สลายพอจับประเด็นได้แม้จับประเด็นได้แล้วจะเป็นประโยชน์ลองไปนั่งกําหนดนะอยากอยากจะให้ฝึกตรงนี้นะอยากให้ฝึกเรานั่งที่ไหนเสียงก็จอนมาอยู่ตรงไหนตรงไหนก็มีแต่เสียงและต่อไปเราจะไม่ลมาคาญในเสียงเราปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่หงุดหงิดในเรื่องของเสียงเราจะไม่ลมาคาญในเรื่องของเสียงเพียงแต่เราใส่ใจนะใส่ใจเสียงที่ดังอยู่เสียงอะไรชัดเจน่ะเสียงรถเนี่ยดังยาวแต่ในขณะเสียงรถ ด, ดังยาวเนี่ยเสียงป๊อ ป๊อกก็มีใช่ไหมเสียงป๊อกป๊อกจะไปตัดเสียงยาวเรากําหนดอะไรอะไอป๊อกก็กําหนดรู้หายไปป๊อกอีกก็หายไปป๊อกอีกก็หายไปเนี่ยกําหนดเขาหายไปหายไปหายไปหายไปต่อไปแล้วก็จะเห็นเห็นเสียงที่จะมาทางไหนก็หมดไปจะเป็นเสียงอะไรอะไรมาก็หมดไปแล้วต่อไปสักระยะหนึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าเป็นเสียงอะไรอะไรจะรู้ได้ว่าเป็นเสียงเท่านั้นที่มีอยู่ อันนี้เป็นเป็นประสบการณ์นะที่ที่นำนำนำมาเล่ามาเล่าให้ฟังนะได้ใบเดียวเท่านั้นเองในะปัญหานะเรื่องมันยาวแล้วก็ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่มีโอกาสที่จะได้ฌานและอภินญาหรือไม่และเพียงใดบางอาจารย์บอกว่าฌานและอภินญาเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานภาวนาเท่านั้น แต่บางอาจารย์ก็บอกว่าเจริญสติปัฏฐานภาวนาหรือวิปัสนาภ า, าวนาก็อาจเป็นเหตุให้ได้ฌานและได้อภิญญาได้เช่นเดียวกันคําสอนใดถูกต้องกันแน่เรามาได้บอกบ่อยๆว่าสติปัฏฐานสีเนี่ยเป็นทั้งอารมณ์ของสมถะแล้วก็เป็นทั้งอารมณ์ของวิปัสนาเว้ยเราเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ย ทำให้ฌานเกิดก็ได้พอย่างในอนาปนาบพะเนี่ยอนาปนาบพะในสติปัฏฐานสีนั้นน่ะท่านแสดงไว้ถึงฌานโดยตรงเลยกำหนดลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวเป็นอันดับที่หนึ่งกำหนดลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นเป็นอันดับที่สองกำหนดลมหายใจเข้าทั้งหมดลมหายใจออกทั้งหมดเป็นอันดับที่สามข้อที่สาม ในข้อที่สี่ท่านบอกว่ากําหนดลมหายใจเข้าที่สงบระงับกําหนดลมหายใจออกที่สงบระงับไอลมหายใจสงบระงับนั้นนะ่ะคือขั้นของฌานจิตเป็นฌานจิตเกิดแล้วนะลมจึงสงบระงับงั้นท่านให้เราก็ไปสงบงไปไปกําหนดลมหายใจที่สงบระงับถึงที่สุดเนี่ยดังนั้นแสดงว่าได้ฌานจิตแล้วฌานจิตเกิดขึ้นแล้วในการเจริญอาณาปานาสติเนี่ย ทำทำให้ได้ฌานสมาบัติแล้วก็ในในอนาปานาัติเนี่ยนะถ้าเราไปดูในอารมณ์ของของกรรมฐานเนี่ยอารมณ์ของของกรรมฐานเนี่ยท่านท่านแสดงไว้มีอารมณ์สี่สิบประการแล้วในสี่สิบประการเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ฌานทั้งหมดมีอารมณ์ที่ทําให้เกิดปฐมฌานอยู่เพียงยี่สิบห้าอย่างนะแล้วในจํานวนยี่สิบห้าอย่างเนี่ยทำให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจาตุสฌานเนี่ยได้เพียงสิบสี่อย่างเท่นั้นเอง พอถึงปัญจมมชานเนี่ยจะเหลืออารมณ์เพียงสิบสองอย่างมีกระสินอสุภะนะกระสินสิบอสุภะสิบแล้วก็กายะคตาสตินะโกฏิทัสสะเนี่ยกายคตาสติอานาปานัสติแล้วก็กําหนดกําหนดสัตวบัญญัติเป็นอารมณ์เนี่ยในบรรดาอารมณ์เหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่าที่จะให้ปฐมฌานจิตเกิดมีอารมณ์กรรมฐ า, านยี่สิบห้าอย่างมีกระสินสิบอสุภะสิบโกฏิทัสสะคือกายะคตาสติเนี่ยหนึง่ง แล้วก็อานาปานสติอีกหนึ่งปิยมนาปะสัตวะบัญญัติทุกขิตะสัตวะบัญญัติโสมขิตะสัตวะบัญญัติรวมเป็นเป็นยี่สิบห้าอย่างพอไปถึงทุติตะติจตุเนี่ยในจำนวนยี่ห้าอย่างเนี่ยจะลดมาเหลือเพียงสิบสี่อย่างสิบอย่างคืออะไรมีกสิณสิบยังคงเหลืออยู่กสิณสิบแล้วก็อานาปานสติหนึ่งทุกขิตะสุขิตะปิยมนาปะเป็นสิบสี่ข้อ พอไปถึงปันจมะฌานเนี่ยจะเหลือเพียงเหลือเพียงสิบสองอย่างสิบสองอย่างคืออะไรอ่ะสิบสองอย่างก็คือกัปสินสิบเนี่ยยังอยู่อานาปาณสติหนึ่งยังอยู่แล้วต่อจากนั้นก็เพิ่มมัตชัตตะสัตวบัญญัติเข้ามาอีกหนึ่งทุกขิตาสัตวบัญญัติเนี่ยเจริญอะไรอ่ะเจริญกะลุนากรรมถานเห็นเขาทุกเราก็ต้องสงสารเขาแล้วก็สุ ข, ขิตาสัตวบัญญตัติเห็นเขามีความสุขเราจะเจริญอะไรอ่ะ จเจริญมุทิตาชื่นชมยินดีส่วนมัชชิตะเนี่ยท่านให้จเจริญอุเบกขานะปิยมนาปะเนี่เรเาก็เจริญเมตตากรรมฐานนี่ก็คือการจเจริญพรห ม, มวิหารสี่ประการเนี่ยจเจริญเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาสี่ประการเราจะมองเห็นว่าอาณาปานสติทําให้ปฐมฌานเกิดก็ได้ทุติตะติจตุเกิดก็ได้ปันจะมฌานเกิดก็ได้ พอได้ปันจมะชานแล้วอาณาปานสติเนี่ยที่เป็นปฏิภาคขณิเมิตเข้าไปกําหนดให้เป็นของว่างเปล่าเอาความว่างเปล่ามาเป็นอารมณ์ทําให้อากาสารัญจา ย, ยตนะชานเกิดพอได้อากาสารัญจา ย, ยตนะชานเอาอากาสารัญจา ย, ยตนะชานไปกําหนดทําให้วิญญาณัญจา ย, ยตนะชานเกิดต่อจากนั้นจึงเปลี่ยนสร้างอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาใหม่คือนัตถิภาวะบัญญัติ เป็นอารมณ์ทําให้อากินจัญญายตนะฌานเกิดเอาอากินจัญญายตนะฌานมากําหนดแล้วก็ได้เนวสัญญาณาสัญญาญายตนะฌานผลสืบเนื่องมาจากอานาปานสติทำได้ไปจนถึงอารมูปฌานแต่จริงๆเขาเป็นอารมณ์ของรูปฌานเท่านั้นแต่สืบเนื่องไปให้เกิดอารูปฌานในฐานปะปฏิภาคณิมิตว่างเปล่าเป็นกสินุขาติมกักกาศ เอากระสินุคัติมาการความว่างเปล่าของปฏิภาคณิมิตรของอานาปานะมาเป็นอารมณ์ทําให้อากาศสารานญาตินะฌานเกิดการเจริญอานาปานะบพะเนี่ยทําให้ฌานใจิตเกิดอนาปานะบพะแสดงไว้ในหมวดแรกของสติปัฏฐานแล้วก็ช็ดเตือนอยู่แล้วทำให้ให้ฌานาจิตเกิดพอฌานใจิตเกิดเอาไปพูกกับพิญญาได้อีกพอฌานเกิดเอาฌานไปพูดกับพิญญาน่ะแล้วก็จะได้อภิญญาจิตจิตพิเศษงัน้นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยทําให้ฌานเกิดอภิญญาเกิดได้ การเจริญสติปัฏฐานทําให้ปัญญาเกิดบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเนี่ยหลักถูกต้องไปเปิดดูในมหาสติปัฏฐานจริงๆแล้วเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีโอกาสอ่านตาราก็ไปอ่านสติปัฏฐานเนี่ยมาอยากให้อ่านว่าเราอ่านแล้วเราจะไม่หลงทางเราอ่านแล้วเนี่ยเราจะเอาสติปัฏฐานเนี่ยไปไปเป็นเครื่องเครื่องมือในการเดินทางเป็นอุปกรณ์ในการฟังธรรมะ ใครเขาพูดธรรมะคาดเคลื่อนเราใช้สติประญาเข้าไปเปรียบเทียบแต่เราไม่ต้องไปคาดค้านเขาเรารับไว้ในใจแล้วสิ่งที่คาดเคลื่อนตัดทิ้งไปจะทำให้เราไม่ออกนอกลู่นอกทางาการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่ออกนอกทางถ้าเราเรามีมีแผนที่นะต้องต้องอาศัยแผนที่แล้ววิธีการก็คืออ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆถามบ่อยๆนะถ้าอยากจะเข้าใจนะ หยิบตำรามาอ่านแล้วก็ไปฟังครูบาอาจารย์พูดมันไม่เที่ยงใช่ไหมนึกจะดับมันก็ดับนึกจะติดก็มาแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ปัญหาก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวก็จะทยอยตอบปัญหาให้หมดก่อนนะจะทยอยตอบปัญหาให้หมดก่อนไปดูปัญหาข้อต่อไปนะการที่พยายามกำหนดให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นที่กายบริเวณที่มักไม่ค่อยรู้สึก มักไม่เคยรู้สึกตัวมาก่อนเช่นที่บริเวณใบหูท้า ย, ยทอยตาตุ่มเป็นต้นจะนับเป็นกายานุปัสสนาหรือเวทนานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาจึงจะถูกต้องจริงๆเรากําหนดเนี่ยการกําหนดเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะกำหนดเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกําหนดเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยหรือกําหนดเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยจะแตกตา่แบบกางแตกต่างกันตรงไหนอ่ะ ถ้ากำหนดกายมุ่งหมายเอารู้อาการของกายรู้เพียงอาการเข้าไปรู้เพียงอาการรู้ลักษณะรู้ท่าทางรู้อาการกิเลยาอาการกำหนดอย่างนี้เป็นกายานุปัสสนะสติปัฏฐานถ้ากำหนดกายจี้ลงไปนะเกิดความรู้สึกเป็นผัสสะกำหนดจี้ลงไปจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยที่เรากำหนดไปเนี่ยกำหนดจี้จี้จี้จี้ลงไปเนี่ยไม่ไม่ถูกกายานุปัสสนา ไม่เป็นกายานุปัสสนาเพราะกำหนดปันีัยความรู้สึกจะเกิดในขณะนั้นเนี่ยนะกายของเราเนี่ยกระโปรดถภาเนี่ยเขามีอยู่แล้วกายมีอยู่ร้อนมีอยู่กายมีอยู่เย็นมีอยู่กายกับร้อนหรือกายกัเย็นเนี่ยเขาทำหน้าที่กระทบกันอยู่แล้วแต่ขาดเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเองคือขาดจิตขาดจิตเข้าไปรับรู้ถ้ามีจิตเกิดขึ้นตรงนั้นคือกายวิญญาณจิตสามสิ่ง ลบกันจะกลายเป็นผัสสะแนทนทีผัสสะเป็นอะไรอ่ะผัสสะเป็นธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานเราผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานต่อจากนั้นรู้สึกสบายหรือไม่สบายเกิดขึ้นเพราะผัสสะนั้นนั้นจึงจะเป็นเวทนานุปัสสนสติปัฏฐานมันยอสติปัฏฐานเนี่ยนันต้องมีผัสสะก่อนแล้วจึงมีความรู้สึกสบายไม่สบายตามมา มีความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยเฉยจึงจะเรียกว่าเวทนานุปัสสนสติปัฏฐานมอบอกเห็นไหมกําหนดในที่แห่งเดียวกันเนี่ยเป็นกายาก็ได้เป็นธรรมาก็ได้เป็นเวทนาก็ได้แล้วแต่รู้ลึกรู้ไม่ลึกรู้ขนาดไหนแต่ถ้ากําหนดแต่เพียงความรู้สึกที่เข้าไปรู้ตรงนั้นตรงนั้นเป็นจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานคือจักขวิญญาณะจิตอา่าแยกออกไ้มตรงนี้แยกประเด็นออกนะ มันละเอียดเกินไปนะเอียเกินไปท่านฟังแล้วก็ฟังบ่อยๆต่อไปก็จะรู้นะตรงนี้ต้องค่อยๆคิดเรื่องนี้ยค่อยๆคิดแล้วเราก็จะจะออกมาตรงตรงตำราที่ท่านแสดงไปการนั่งสมาธิวิธีลืมตาทําให้ไม่ค่อยมีเวทนารู้สึกดีและนั่งได้นานมากแต่เมื่อออกจากการนั่งสมาธิแล้วยังรู้สึกอยากกําหนดท้องของท้องยุบอยู่มันรู้เองควร กำหนดอยู่ต่อไปหรือไม่กําหนดได้ก็กําหนดต่อไปไม่เป็นไรอาการพองอาการยบมีก็กําหนดได้นะแต่ให้เราเข้าใจว่าพองยบเป็นจุดหนึ่งเท่านั้นเองพองยบเนี่ยเป็นหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งของกายถ้ารูต้ตรงนั้นแห่งเดียวจิตจะไม่มีการพัฒนาการรู้เนี่ยรู้อารมณ์เนี่ยที่จะให้เป็นเป็นเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะท่านท่านไม่นิยมให้เรารู้รู้แช่คือลักษณะของการรู้เนี่ยรู้ แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำลงไปตรงนั้นนะ่ะเป็นเหตุให้สมาธิจิตเกิดได้แต่ถ้าจะฝึกคาวิปัสนาเกิดเนี่ยพยายามยักย้ายจิตไม่ให้จิตรู้ซ้ำซากในอารมณ์ตรงนั้นบ่อยเกินไปถ้ารู้บ่อยเกินไปจะเป็นเป็นสมาธิเพฉะนั้นจิตของเราจะต้องไปยินเรื่อยๆไงเวลารู้กายเนี่ยถ้ารู้ตรงท้องอย่างเดียวเนี่ยรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจะเจอปัญหาและแนวเนี้ยปัญหามากที่สุดเลยนะ่ะ ในพองยุบเนี่ยปัญหามากที่สุดบุคคลที่จเรียนวิปัสสนาแนวเนี้ยิ่งไปปฏิบัติไกลครูบาอาจารย์ยิ่งปัญหาเยอะถ้าอยู่ใกลค้ครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์จะแก้ปัญหาให้แล้วเวลาปฏิบัติตามแนวนี้เนี่ยจึงไม่นิยมให้ให้อยู่ไกลาอาจารย์เพราะจะต้องคอยคอยแก้ปัญหาให้มีปัญหาอย่างไรอ่ะการพอการยุบเนี่ยมันมันมันมีอยู่จุดเดียวเรากําหนดไปกําหนดไปกําหนดไปตรงนี้ แล้วก็หลับตากําหนดด้วยนะแล้วก็เพ่งลงไปด้วยเบื้องต้นก็จับอาการได้เป็นอารมณ์ขอ้อยิบปัญนาพอกาหนดไปกักพักเนี่ยอาการมันซ้ําซากอยู่ตรงนั้นเน่ะกําหนดไปกําหนดไปจิตสงบกันแล้วกาหนดไปกําหนดไปพองยุบหายกันแล้วพองยุบหายต้องเข้าใจว่านั่นจับอาการไม่ทันแล้วนั่นสมาธิครอบงํำแล้วลทาไปทําไปนิ่ไต่ปรากฏใช่แล้วทําไปทําไปพองใหญ่โตมโหฬารแล้ว พอนั่งไปสักพักหนึ่งพองมันพองพองพองแล้วพองใหญ่ใช่นะมบางคนอยู่ไกลอาจารย์ตกใจเอ๊ะทําไมตัวใหญ่โตมโหลานอย่างนี้มีคุณหมออะไรท่านหนึ่งทางทางเพชรบุรี่เคยเคยได้ข่าวไหมคุณคุณหมอท่านนี้เนี่ยจะปฏิบัติจะทำมาสั่นนิฐานเอาเองเนะไม่ได้เล่าไว้มีจดหมายบอกว่าจําเป็นที่จะต้องทําลายตัวเองทิ้งเพราะทําไมทําลายตัวเองทิ้งเนี่ยจะไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะอะไรเพราะเคยจเจริญวิปัสสนากรรมฐานแนวเนี้ย แก okay. จเโดวิปัสนากรรมฐานแล้วมันมั น, ม, นมันพองใหญ่พราะแกพองใหญ่แกเข้าไปยึดมันว่าเป็นของจริงแกก็คิดว่าเนี่ยถ้าปล่อยให้พองใหญ่มันจะครับโลกแล้วคนในโลกนี้จะตายหมดงั้นจำเป็นต้องทําลายตัวเองก่อนเพื่อเอาคนอื่นไว้แล้วก็ก่อนแกจะฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าสมาจําไม่ผิดเนี่ยแกแกแกฆ่าปัญญาแกก่อนฆ่าบุตรของแกก่อนแล้วแกก็กมาฆ่าตัวแกเองตายแอนังสือพิมพ์ก็ประโคมข่าวเลยปฏิบัติธรรมแล้ววิปลาสฆ่าตัวตายประโคมข่าวกันใหญ่คนก็ตกใจ กัวปฏิบัติไปแรกจะไปเป็นอย่างนั้นเคยไม่ใครเคยผ่านผ่า น, ผ, านผ่านตรงนี้มามันหลายปีแล้วนะจะมาจําไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วยังไปบรรยายออกอากาศอยู่สองสามครั้งเพื่อแก้ข่าวไม่ให้คนตกใจทําไปแล้วนิมิตเกิดไงนิมิตเกิดพอนิมิตเกิดแล้วเราก็ตกใจอันนี้ถ้านิมิตเกิดเนี่ยเราจะทําแบบไหนนิมิตเกิดเป็นสมถะเมื่อนิมิตเกิดแล้วเนี่ยเราเอาประโยชน์ได้ตรง น, นั้น่ะ ข้ประโยชน์อย่างไงอ่ะเรารู้เท่าทันว่าเป็นนิมิตรู้เท่าทันก่อนในวันนั้นเป็นนิมิตไม่ใช่ของจริงแล้วเราก็ดูนิมิตต่อไปนิมิตเนี่ยเมือเราดูต่อไปต่อไปมันจะใหญ่ถึงที่สุดพอใหญ่ถึงที่สุดมันไม่มีมมอะไรเกิดแล้วไม่ดับนะพอใหญ่ถึงที่สุดแล้วมันก็ดับตอนมันดับเนี่ยมันจะระเบิดใช่ป่ะมันจะระเบิดเพราะอะไรพอระเบิดเพราะคราวนี้มันก็จะเป็นของใสแล้วใสบริสุทธิ์จิตของคนนั้นก็จะเบาแนละ้กลายเป็นของใสบริสุทธิ์จิตเบาเข้าสู่อุปจารสมาธิ กำหนดมิตที่สายบริสุทธิ์จิตแนบแน่นเป็นอับปนานสมาธิทําให้ฌานจิตเกิดได้ไม่ยากนะถ้าเรารู้จักเอาน่ะเอาฌ า, า, า, าน่างตรงนั้นก็ได้แล้วก็กําหนดพองยุบพองยุบทําให้ตัวแข็งก็ได้นั่งตัวแข็งทื่อเลยนะไปไหนไม่ได้อะมีครูบาอาจารย์ชอบเอาน้นมาฝึ ก, กเน้นฝึกเน้นนั่งตัวแข็งแล้วก็เอาไปโชว์สมเด็จหลวงพ่อเจ้าพรคุณสมเด็จพุทธาจารย์เนี่ยจะพาพระวิปัสสนาจารย์ไปทุกจังหวัดของประเทศนะ ปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะไปประมาณห้าจังหวัดสี่จังหวัดแล้วแท้ก็จะมีสมเด็จนั่งตัวแข่งเนี่ยไปด้วยประมาณสามสี่รูปเอาเป็นนั่งแล้วก็นั่งโชวทั้ทงตัวแข็งแล้วก็เอาเนนเนี่ยไปวางบนบนไม้ก็ได้เนนก็จะแข็งทื่ออยู่นั้นแหละตัวแข็งทื่อคนมาเห็นก็แปลกใจก็อยากจะมานั่งเอาเป็นอุปกรณ์ล่อคนเข้ามาปฏิบัติได้เหมือนกันแล้วก็มีโยมนั่งตัวแข็งอยู่เยอะนั่งตัวแข็งนั่งไปสักพักหนึ่งมันแข็งแล้วขยับไม่ได้แล้ว แต่รู้นะรู้รู้สึกเวลาเขาออกกันเนี่ยเขาเป็นนอนกันหมดแล้วยมยังนั่งแข็งชื้ออยู่เนี่ยผ่านไปตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงจึงขยับตัวได้ยมก็วันหนึ่งยมคนที่ต่างตัวแข็งเนี่ยก็มาหาตมาไปนั่งเฉยเราก็นั่งอยู่ทำไมไม่ลุกพอแกออกได้แกก็ร้องไห้แล้วเข้ามากราบบอกว่ามันตัวแข็งท่านแล้วก็โยมแกมาพยายามแก้มานานแล้วแก้ไม่หายหลวงพ่อท่านหนึ่งก็พายอมเนี่ยตะลอนไปหาครูบาอาจารย์แก้ โยมก็แก้ไม่หายอายเขาว่าอายเท่าเหลือ เ, เกินนั่งแล้วมันตัวแข็งออกไม่ได้เราก็บอกว่าโยมเอางี้สิอย่านั่งไม่ต้องนั่งแล้วต่อไปไม่ต้องนั่งให้เดินอ่ะเดินเนีย่ยโยมเดินแล้นะเดินแล้วกําหนดทำความรู้สึกตัวเท่พร้อมแบบที่บอกโยมเนี่ยเดินไปกําหนดไปนะแล้วก็จะเอาใจมาไว้ที่ท้องนะอาใจไว้้างล่าง เลยมันเลยมาข้างบนนะมาเอาไว้ที่ท้องเดี๋ยวเดินตัวแข็งอีกมันยึดอยู่มันยึดจึงบอกว่าเป็นอุปทานอารมณ์ของสมถะเนี่ยมันจะเป็นอุปทานงั้นถ้าถ้าเอาใจไว้ตรงท้องเดี๋ยวตัวแข็งอีกก็เลยบอกว่าเอาใจเนี่ยไปไว้ที่อื่นหรือถ้าจะนั่งโยมอย่านั่งขัดสมาธิอย่านั่งเรียบร้อยนั่งแบบไม่เรียบร้อยนั่งยกขายกเท้าบ้างก็ได้ให้มันไม่เรียบร้อยแล้วอย่าไปกําหนดที่ท้องกําหนดที่อื่นกําหนดลมหายใจก็ได้ระลึกทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ได้ หรือให้มันเลยมันเลอส่วนท้องหรือให้มันลงไปข้างล่างนะทำไปสักระยะมันจะหายแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยคําว่านานหน่อยแต่บางทีต้องไปแก้กันหลายเดือนพยายามแก้ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาหลายหลายเดือนบางท่านต้องแก้กันเป็นปีแก้กันใช้เวลาสองปีสามปีก็มีพระองค์หนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนตมานี่เจ้พิธ ร, รมบณฑิตด้วยนะจ้พิธ ร, รมบัณฑิตท่านก็ผจบแล้วท่านก็ปนกไปนะไปไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็ไปอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เป็นพระยูปชา้า ท่านจะเริยนอนาปานักสติพระไปก็ท่านก็ฝึกให้เราไปนั่งสมาธิในป่าช้ากันประมาณไปอยู่กันประมาณสัก2 3เดือนเนี่ยนะอันนี้หลวงพ่อให้กําหนดเนี่ยแปลกกาหนดอนาปานักสติไม่เหมือนคนอื่นนะเวลากำหนดลมหายใจให้เพ่งกลางดั้งจมูกนี้เพ่งตรงนี้เอาจิตเพ่งตรงนี้ไว้นะแล้วก็รู้ลมหายใจอันนี้ท่านก็ทําตามท่านก็เพ่งจิตของท่านนั้ไปเกาะติดอยู่ตรงนี้เกาะติดเพ่งไปประมาณ1เดือนผ่านไป2เดือนผ่านไป เดือนที่สามเนี่ยท่านบอกว่าตามันจะแตกมันปวดแล้วมันก็แปร์ไอ้แปร์ของท่านเนี่ยมันแปร์ยังไงอ่ะมันเหมือนกับการมองดูดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงเที่ยงใครอยากจะรู้ว่าแปร์แบบไหนก็แงนมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่ามันเสียวแปร์แบบนั้นอ่ะท่านก็ต้องหยุดหยุดการปฏิบัติแล้วก็ติดเสียวเพราะแปร์อยู่ตลอดเวลาปฏิบัติปั๊บอุปทานมันยุดเข้าไปสู่จุดนั้นแล้วก็แปร์ทันทีวาระสุดท้ายเป็นหนักฟังธรรมะก็แปร์ ได้ยินได้ยินเสียงธรรมะนี่ไม่ได้แล้วแปัดเข้ามาตรงนี้ล้วเป็นขนาดหนักเข้าใกล้คนปฏิบัติไม่ได้ไปเจอพระที่ท่านปฏิบัติเจอโยมปฏิบัติมานั่งใกล้ๆกันครับเนี่ยแปรปตรงนี้แล้วนี่ท่านก็แก่ไปหาครูบาอาจารย์แก้ตัวท่านเองเนี่ยท่านหมดอะไรในชีวิตแล้วแหละบอกว่าชีวิตเป็นพระคงไม่กล้าหน้าแต่และเราคือแก้ไม่หายแก้ยังไงก็แก้ไม่หายแล้วอยู่ต่อมาท่านก็ไปอยู่ในสำนักวิปนะัสสนา พอไปอยู่ในสำนักวิปัสนาเนี่ยวิธีการแก้ของอาจารย์เนี่ยท่านแก้อยู่สามปีเต็มๆอาการของท่านจึงหลดท่านแก้ให้เดินยืนนั่งเนี่ยแต่ห้ามเอาใจขึ้นข้างบนห้ามเลยต้นคอขึ้นไปคือบังคับให้ใจอยู่ข้างล่างไปดูอะไรก็ได้ดูพองยุบก็ได้ดูอาการก็ได้อาการของกายดูการเดินจงกลมก็ได้ท่านไปทําบังคับเนี่ยไม่ให้จิตขึ้นข้างบนเนี่ยอยู่สามปีแล้วหายปฏิบัติผิดสามเดือนไปแก้สามปีทําไมอุปาทานมันยึดอารมณ์ของสมถะ เป็นที่อาศัยของอุปาทานได้ข อ, อยานที่โยมบอกว่ากําหนดลมหายใจเข้าออกแล้วมันไม่ไปที่อื่นตอนนั่งเวลาใดมันก็ไปหาลมหายใจเข้าออกหรือท่านที่กําหนดพองยุบมาเนี่ยมันก็ไม่ไปที่อื่นน่ะนั่งเวลาใดมันก็ไปอยู่กับพองยุบแต่ว่าพองยุบเนี่ยเรารู้อาการนะแต่เราก็เผลอจนสมาธิเกิดพอสมาธิเกิดก็เป็นอุปาทา น, นก็เลยยึดตรงนั้นอยู่ทีนี้พอเราให้มาเปลี่ยนไงไม่ใช่เปลี่ยนนะเรามาเพิ่มเพื่อต้องการจะให้เข้าไปสู่ระบบของสติปัฏฐานเต็มตัว ในกายานุปัสสนาสติปฐานหรือไปสู่อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเต็มที่เนี่ยก็คือต้องทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมดังที่ท่านแสดงไว้ในมหาสติปฐานก็ให้เริ่มกําหนดกําหนดใจให้ออกกระจายไปทั่วกายเนี่ยอีตอนเรามาใหม่ๆเนี่ยอจิตที่มันเคยชินยึดมั่นอยู่ตรงนั้ น, นมันจะไม่ยอมะมันจะมาตรงนี้เผลอแล้วก็จะมาแต่ท่านนั่งแบบท่าเกา่าหลับตาเหมือนเกา่าก็จะมาอยู่ตรงเนี้ดังนั้นวิธีการแก้นะก็ต้องนั่งลืมตา นั่งลืมตาเอาใจไปรู้ในกายส่วนต่างๆแต่ท่านนั่งหลับตาพระมันก็ไปหาตรงนี้ยแล้วก็ไปจริงๆไหมล่ะไปจริงไหมไปจริงๆคือปูปลาทานมันข้าพเยจดแล้วอันนี้เราพยายามแก้สักพักหนึ่งนะมันมันติดไม่แน่นนะตอนนี้มันติดไม่แน่นนะแล้วเดี๋ยวใจมันจะกระจายออกไป นี่ปัจจัยกระจายออกไปแล้วมันก็พร้อมจะไปรับรูรับรูทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นยิงแนวนี้เขาก็ให้ฝึกครบนะตรงนี้แนววิปัสนาแนวนี้เเขาเขาฝึกครบแต่เราไปฝึกขเข้ามาไม่ครบมันก็จะยึดฝึกครบเขาให้เราฝึกทางตาด้วยเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยทางหูได้ยินหนอได้ยินหนอเนี่ยให้เรากําหนดไอเห็นหนอเนี่ยเขาต้องการให้พากใจออกจากตรง น, นี้แล้วไปเห็นทางตาจะรับูทางต า, ไ, า, งตาไอได้ยินหนอเนี่ยท่านต้องการให้พากใจออกจากตรงนี้แล้วไปรับรูทางหู ดินหนอก็เหมือนกันน่ยต้องการให้ภาคใจออกจากตรงนี้แล้วก็ไปรู้ทางจมูกงั้นเขาของเขามีครบแต่เรานําเอาของเขามาใช้ไม่ครบมันเลยยึดติดแล้วของเราทําแล้วเผลอจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เลยยึดอยู่ตรงนั้นดังนั้นจึงต้องขยายความรู้สึกไงพอเราทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ขยายความรู้สึกอย่างถ้ามาขยายแบบนี้สติของท่านจะลื่นไหลแล้ว น, นี้กำหนดสะดวกแล้วจะเบาสบายกําหนดได้นะ แต่ถ้ายังกําหนดไม่ได้ก็ออยังอึดอัดอยู่ น, นั้นนหละที่สอบถามดูแล้วได้เป็นส่วนมากเลยนะที่จะมาสอบถามเนี่ยแล้วก็สังเกตดูแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ทมามาจัดกับท่านพระอาจารย์มาบนช่วยที่เนี้ยข้อมูลจะตรงกันระหว่างสามสี่วันแรกเนี่ยผู้ที่มาใหม่เนี่ยจะอึดอัดมากพอเลยสี่วันไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเริ่มเบาเพรเริ่มเข้าใจการบรรยายให้เข้าใจประการหนึ่งการไปฝึกตามประการหนึ่งระหว่างสามสี่วันแรกจิตต่อต้านกัน แนวเก่ากับแนวใหม่ดังท่านต่อต้านตั้งแต่ยังไม่มาเนี่ยพอมาแล้วโทรมาอีกถามเจ้าหน้าที่กําหนดยังไงอาจารย์มโนเพย์กำหนดยังไ ง, ม ง, ง, ไ, งไม่มั่นใจกําหนดไม่มีคําบริกา ร, รกาหนดได้ยังไงไม่มั่นใจบางคนไม่มาเลยก็มีไม่กล้ามาพอมาก็ไม่ได้ให้ทิ้งคําบริการนะบอกบริการต่อไปถ้าอยากจะบริการแต่ถ้าเราสามารถจะเพิ่มขยายความรู้สึกให้มันเป็นไปทั่วกายได้ก็ต้องค่อยๆฝึก และถ้าทําบริการโหลดก็ทิ้งไปเลยอันนี้คือคําที่จะมายืนยันมาหลายครั้งก็ยังยืนยันอย่างนีงย้ ย, ย, ย, ยังไม่ได้ให้ท่านทั้งหลายทิ้งนะแต่ท่านกลัวกันไปก่อนกลัวกันไปก่อนกลัวเลยไม่กล้ามาก็มีแต่ก็พอเรามาแล้วกําหนดได้แล้วเราก็สบายแล้วนะการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าต่อไปในในอนาคตในมีการจัดทําเอกสารเนื้อหาสาระอบรมหรือไม่ระหว่างการอบรมแม้ตั้งใจฟังแต่ไม่ได้จดจําไม่ได้ทั้งหมด เทปคาสอนนี้มีจําหน่ายหรือไม่อันนี้ก็เทป น, นี่เขาจะมีนะเทปมีต่อที่คุณนิวัฒน์นะทางยุ่วพุทธเขาจะ จ, ะ จ, ะจะจัดทําให้ให้ทุกปีนะปีนี้ก็จะมีเทปไม่มากนะของตมาแล้วของท่านอาจารย์ท่านได้มาสองม้วนแล้วของตมาก็ได้มาเพียงห้าม้วนเท่านั้นเองถ้าต้องการเทปคําอบรมก็เทปนี่เรื่องเทปนะเทปติดต่อที่เจ้าหน้าที่นะอันนี้กําหนดการยืนนั่งนอน คือการกําหนดความรู้สึกถึงส่วนต่างๆของกายในขณะนั้นๆเท่านั้นหรือต้องหรือต้องรวมถึงการกําหนดความรู้สึกในอาการที่กายกําลังยืนนั่งนอนเช่นเดียวกันกับเวลาที่กําหนดกายเดินหรือไม่อย่างไรกําหนดกายยืนนั่งนอนคือการกําหนดความรู้สึกถึงส่วนต่างๆของกายนั้นเท่านั้น อันนี้ก็การกําหนดกายไม่ใช่กําหนดความรู้สึกไม่ใช่กําหนดความรู้สึกกําหนดอาการกําหนดกายการกําหนดกายเนี่ยให้กําหนดอาการดังที่ตระมากล่าวแล้วถ้าไปกําหนดความรู้สึกจะเป็นจิตตานุปัสสนาความรู้สึกเป็นจักขุวเป็นกายยะวิญญาณอจิรู้ถ้าเราไปรู้กายยะวิญญาณอจิก็จะเป็นจิตตานุปัสสนาแต่ครนี้การกําหนดกายเพียงแต่รู้อาการไม่ใช่รู้การกระทบด้วยนะถ้าไปรู้การกระทบไม่ใช่กายอีกเป็นธรรมานุปัสสนา อยังย้ำคำตอบเดิมคงคงเข้าใจนะตรงนี้นะวิธีกําหนดฟุ้งอตรงนี้ดีปัญหานี้นะเวลาฟุ้งดูความรู้สึกฟุ้งนะฟุ้งเนี่ยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องมาคัดให้หายเวลาใจฟุ้งเนี่ยเราไม่ต้องมาคัดว่าอย่าฟุ้งแล้วว่าให้หายฟุ้งเนี่ยไม่ต้องนะอยากฟุ้งให้เขาฟุ้งต่อไปแต่อาศัยใจที่กําลังฟุ้งเป็นอุปกรณ์ให้สติเราลึกถึงเราจะเอาสติและสามปัญญาอย่าลืมประเด็นหลักนะ การปิบัติธรรมมีประเด็นหลกักคือสติและสัมปชัญญะเพื่อพัฒนาไปสู่วิปัสนาปัญญาคือเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่แบบไปเห็นสามัญลักษณะเห็นไตร ล, ลักษณะเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเวลาใจฟุ้งใจที่ฟุ้งเป็นอารมณ์ให้สติระลึกถึงได้ตั้งสมมติฐานไว้ในใจว่าเราอยากจะรู้จักว่าฟุ้งคืออะไรเราอยากจะรู้จักใจที่ฟุ้งเป็นอย่างไร แล้วเราก็ไปเข้าไปดูดูเหมือนกับการเข้าไปสํารวจแล้วเราจะสามารถกําหนดได้คือเวลาเราดูเนี่ยเราดูเหมือนกับเราเข้าไปสํารวจเหมือนกับเราเข้าไปค้นเหมือนกับนักวิจัยดูแบบนักวิจัยนักวิจัยก็ดูยังไงนักวิจัยเนี่ยนักวิจัยเนี่ยเขาจะไปเฝ้าสังเกตสังเกตการเขาจะวิจัยเรื่องอะไรอ่สมมติเขาจะวิจัยนกสักตัวหนึ่งนียปกตินกเนี่ยมันจะบินมาทางข้างหน้าเนี่ยทุกวัน แล้ว น, นักวิจัยก็จะต้องไปไปไปไ ป, ไปติดกล้องส่องดูแล้วก็ไปเฝ้าดูตรง น, นั้ น, นว่านกเนี่ยเขาจะมาเกาะกิ่งไม้บริเวณเนี้ยเขาจะมาช่วงเวลาไหนแล้วก็เฝ้าดูเขาจะอยู่นานขนาดไหนแล้วเขาจะไปเมื่อไหร่ต่อจากนั้นก็จะเริ่มดูว่าเขาไปทางไหนแล้วก็ตามไปไปหาว่าเขามาจากไหนเขาอยู่อย่างไรแล้วก็เขากินอะไร จะวิเคราะห์ดูจกกนกระทั่งเรารู้อัจริยาศัยของเขาทั้งหมดแล้วก็เขียนเป็นตาราได้เหมือนกับทางทีวีเขาเออกมาออกเขาไปวิจัยดูไปเฝ้าดูบางบางบางรายการเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นแรมปีบางทีใช้เวลาหลายหลายปีเึื่อจะได้ข้อมูลตรงนี้มาชัดเจนเนี่ยแล้วก็ออกออกมาเป็นสารคดีเนี่ยให้เราดูแบบนั้นเนี่ยดูความรู้สึกเราอยากจะรู้ว่าฟุ้งเป็นอย่างไรเราก็คอยดูสังเกตดูเขาฟุ้งเวลาใดเนี่ยเราจะได้ดูเขา อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเขานะถ้าเรากลัวเขาเราจะไม่ได้เห็นเขากระจายนะตรงนี้นะดูใจที่กำลังฟุง้งอาศัยใจฟุ้งเป็นอารมณ์ของสติสัม ป, ปชัญญะโกตะชะนะคือจิตที่จับเอาอารมณ์เดียวแล้วไม่ยอมออกไปรับรู้อารมณ์อื่นวิธีแก้คืออย่างไรกรุณาชีแนะอีกสักครั้งนะส่วนการลืมตานั้นจิตจะแสหาอารมณ์ทางตาทางหูบ้างจึงจะรู้สึกจิตร้อน แล้วก็อยากรู้ไปเสียหมดไม่ยอมสงบเงียบเลยเนี่ยเรียนถามปรับจิตให้พอดีด้วยเพจะปรับอย่างไรนะทางหูบ้างซึ่งใช้คําว่าซึ่งไม่ใช่จึงนะซึ่งจะรู้สึกรู้สึกร้กรอนร้อนเลยนะจิตนี่นะโกศะชะแปลว่าเกียรตคล้านนะคําว่าเกียรตคลานก็คือเจียรติจิตเนี่ยไม่ไม่ออกไปรับรู้อารมณ์หรืออารมณ์มีแต่จิตไม่ยอมรับรู้อารมณ์ เป็นลักษณะที่จิตไม่ต้องการไปรู้อารมณ์อื่นๆรู้เพียงอย่างเดียวอย่างไต่สงบในอารมณ์ใด อ, อารมณ์หนึ่งแล้วก็เบาสบายอยู่แล้วก็จะพากจิตออกจากตรง น, นั้นให้ไปรู้อารมณ์อื่นก็ไม่ไปเนี่ยลักษณะนั้นเรียกว่าโกสัชฉะเป็นสภาพของโกสัชฉะงั้นโกสัชฉะเนี่ยมาจากสมาธิก็ได้โกสัชะมาจากไม่มีสมาธิคือจิตของเราเนี่ยปล่อยเพลินไปไม่ยอมกําหนด ก็ได้โกรธสัตย์ชามาจากทีนามิตรทะก็ได้โกรธสัตย์ชาเนี่ยมาจากความเพลิดเพลินในอารมณ์อื่นแล้วก็ไม่ยอมไปรับรู้ปัจจุบันธรรมก็ได้มามาจากสาเหตุหลายประการนะฉะนั้นสภาพของจิตเนี่ยรู้สึกนะคือรู้สึกไม่อยากไปรับรู้อารมณ์อื่นเนี่ยเรียกว่าโกรธสัตย์ชาวิธีแก้ก็คือกําหนดรู้แหละกำหนดรู้ความรู้สึกเกียจคล้านนั้นกําหนดรู้ความรู้สึกที่ไม่ไม่อยากจะไปรับรู้อารมณ์นั้น กำหนดตรง น, นี้เรกำหนดตรง น, นี้ทันไ e อ้กลอสะจะก็จะหายไปอย่างวิธีการเยาวิธีการแก้ไขนะขณะเดินจงกรมอยู่ใจคิดว่าเดินจงกรมเสร็จแล้วจะไปนั่งสมาธิที่หอธรรมเป็นลำดับถัดไปแต่ท้ายสุดลืมไปนั่งสมาธิและจำไม่ได้ว่าจะทำอะไรต่อเป็นเพราะเบอร์เบอหรือความจำไม่ดีขอวิธีแก้ไขด้วยนก็ลืม่ะลืมก็คือลืมเีม่ย ก็ลืมลืมแล้วก็ลืมไปจะเป็นไรไปเวลาเวลาลืมแล้วก็กลืมไปเลยนะปล่อยปล่อยไปเลยไม่เป็นไรเอาเอาเอาใหม่เอาไอที่ใกล้ตัวเนี่ยลืมแล้วลืมไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปห่วงอะไรนะตั้งใจจะไปแล้วแล้วไม่ไปมันก็ไม่ไปมันอยู่ตรงนี้ก็ทำตรงนี้ทำใหม่ตรงนี้เลยวิธีการแก้ไขก็คือตามรู้กายตามรู้จิตให้มาก้วก็อาการลืมก็จะก็จะไม่ลืมต่อไปอันนี้เป็นปัญหานะเป็นเป็นประเด็นปัญหา อันนี้ก็จะเข้าสู่หัวข้อเรื่องที่อยากจะปรารบนะอยากจะปาลารบต่อเพราะว่าในในเรื่องของนา ม, มาธรรมเนะี่ยยังยังพูดน้อยไปหน่อยเกี่ยวกับจิตตานุปัสสนาเนะี่ยท่านอาจารย์ได้พูดไปบ้างแล้วนะแล้วก็ธรรมาได้พูดไปเล็กน้อยแล้วจึงจึงอยากจะขยายเกี่ยวกับนา ม, มาธรรมอีกสักเล็กน้อยนะ ในในเรื่องของจิตตาหนุก ป, ปัตนาสติปทานนะแล้วก็ในเรื่องของธรรมาเนี่ยคิดว่าวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคงคงจะมีโอกาสมาสรุปไปอีกครั้งหนึ่งสรุปเรื่องธรรมาหลายประเด็นที่สําคัญสำคัญที่เราจะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในในเรื่องของจิตเนี่ยประมาได้กล่าวไปบ้างแล้วว่าคือคือความรู้สึกนะความรู้สึกความรู้สึกเขาเรียกความรู้สึกที่เรียกว่าจิตเนี่ยความรู้สึกก็มีหลายชนิดแต่ภาพของความรู้สึกเนี่ย ความรู้ส <ie> ึกที่เป็นเวทนาก็มีอย่างรู้สึกสบายไม่สบายเฉยเยไม่เฉจแต่นี้ไม่ใช่เจ็ตขณวนี้ความรู้สึกอื่นๆก็มีรู้เท่าทันการเกิดขึ้นตั้งโยต่แตกดับไปเนี่ยอันนัน้นเป็นเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าปัญญา <c ười> ความรู้สึกอื่นๆก็มีเอกนะรู้ว่าเป็นอะไรอะไร <k> รู้ไหมว่าเป็นอะไรเนี่ยรู้รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยรู้ตัวนี้คืออะไรรู้อะไรเป็นผู้รู้ เนี่ยเรารู้ว่าเป็นอะไรอะไรเนี่ยถามว่าไอ้รู้อันนั้นอะไรเป็นผู้รู้รู้ว่าเป็นอะไรอะไรเนี่ยสัญญาเป็นผู้รู้รู้ว่าเป็นไฟฉายรู้ว่าสีน้ําเงินด้วยรู้ว่ายังใช้ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยรู้อย่างนี้คือสัญญาเป็นผู้รู้สัญญาได้แก่ความจําความจําว่าเป็นอะไรอะไรเนี่ยเราเจอกันแล้วเรารู้ทันทีว่าเป็นใครอย่างเงี้ยถามว่าใครเป็นผู้รู้ไอ้ที่เรารู้ว่าเป็นใครเนี่ย สัญญาเนี่ยเขาจาไว้รู้ว่าเป็นผู้หญิงรู้ว่าเป็นผู้ชายเนี่ยสัญญาเป็นผู้จําไว้งั้นรู้สึกอย่างนั้นเน่ยเป็นสัญญารู้และไอ้การเข้าไปรู้เป็นหญิงเป็นชายเนี่ยถามว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้ไหมหญิงชายเป็นสมมติบัญญัติใช่หรือเป่าหญิงชายเนี่ยคําว่าหญิงคําว่าชายเนี่ยเป็นสมมุติบัญญัติแต่รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายนั้นเป็นปรมัตจะประเด็นให้ดีนะตรงนี้นะ เราเข้าไปรู้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหญิงชายเป็นสมมติบัญญัติเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไม่ได้แต่ความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงรู้สึกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยรู้สึกนั้นเป็นปรมัตา์เป็นสภาพของสัญญาความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์ของสติได้นะและความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์ของปัญญาได้ใส่ใจในความรู้สึกนั้นก็ยังเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน แต่ใจในสัญญาเนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนาสิกุตถะแต่ไปกำห น, นดความรู้สึกอย่างนั้นเป็นธรรมานุปัสสนาสกุตถะคดีรู้ที่เป็นจิตน่ยรู้อย่างไรอ่ะถ้ารู้ว่าเป็นจิตเป็นแต่เพียงสภาพความรู้สึกเฉพาะทางเฉพาะทางรู้สึกเฉพาะทางอย่างไรอ่ะรู้สึกในสิ่งที่มากระทบทางตา รู้สึกในสิ่งที่มากระทบทางหูรู้สึกในสิ่งที่มากระทบทางลิ้นรู้สึกในสิ่งที่เขามากระทบกายรู้สึกในสิ่งที่มากระทบมาปรากฏทางใจอย่างเนี้ยรู้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าจิตรู้รู้ว่าร้อนรู้ว่าเย็นเนี่ยถามว่าใครรู้รู้ในความร้อนรู้ในความเย็นเนี่ยใครเป็นผู้รู้กายะวิญญาณจิตเป็นผู้รู้งั้นจิตเนี่ยก็จะมีหน้าที่รู้นะรู้เฉพาะทาง ถาทำหน้าที่รู้สึกเนี่ยรู้สึกในขณะที่ตาเห็นรู้สึกในขณะที่หูได้ยินรู้สึกในขณะที่ลิ้นลิ้มรสนะรู้สึกในขณะที่กายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วต้องดูเนว่ยวรู้อะไรนะขณะตากระทบรูปเราเข้าไปรู้สึกเข้าไปรู้สึกตาว่าเขาทาหน้าที่กระทบรูปเนี่ยอะไรเป็นผู้รู้ถ้าไปรู้สึกในตาเนี่ยไม่ใช่จกักรูวิญญาณ เป็นจกักรวิญญาณต้องไปรู้สึกในรูปที่มากระทบทางตาตรงแบบนี้ไปรู้สึกในรูปที่มากระทบทางตาตัวรู้สึกตรงนั้นนะเป็นเป็นตัวเป็นตัววิญญาณในจิตในเรลา จ, จิตที่เกิดความรู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทางจมูกรู้สึกทางลิ้นรู้สึกทางกายและรู้สึกทางใจโดยตรงเนี่ยท่านนําเอามาจัดเป็นจิตให้เรากําหนดได้ถึงสิบหกชนิดในหมวดจิ ต, ตานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานนะภาพของจิตเนี่ยจิตบางครั้งเกิดขึ้นพร้อมกับ ความรู้สึกยินดีพอใจท่านเรียกว่าจิตมีหลกักได้แก่ความรู้สึกอยากได้ความรู้สึกอยากได้มันจะมีลักษณะอย่างนี้นะจะซ้อนกันจะจะมีการการเห็นก่อนเห็นเห็นนะพอเห็นแล้วเห็นนี่เป็นหนึ่งขบวนการนะเห็นเนี่ยหนึ่งขบวนการหนึ่งขบวนการอย่างไรอะ่ะการเข้าไปเห็นเนี่ยจกักขุประสาททําหน้าที่กระทบปูปาลมและมีจกักขุวิญญาณเข้าไปรู้สึก ต่อจากนั้นเนี่ยเขาได้สำเร็จเป็นผัสสะไปเรียบร้อยนะเป็นผัสสะผัสสะก็จะมีสองชนิดนะคือผัสสะแล้วทำให้เกิดยินดีประการหนึ่งผัสสะแล้วทำให้เกิดรู้สึกขัดใจอีกประการหนึ่งทีนี้พอผัสสะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกยินดีเกิดความรู้สึกยินดีในสิ่งที่เห็นเนี่ยไอความรู้สึกยินดีตอนหลังนั้นนั่นแหละ ตอนนี้จะเกิดขึ้นในจิตมันจะมีความยินดีกับมีจิตทำหน้าที่เกิดพร้อมกันตรง น, นี้เราแยกไม่ออกนะเราไม่สามารถที่จะแยกออกก็จะมีสิ่งอยู่สองสิ่งมีจิตแล้วก็มีความรู้สึกยินดีจิตเขาไม่ได้ทำหน้าที่ยินดีนะจิตเนี่ยจิตทำหน้าที่น้อมไปหาอารมณ์ความรู้สึกยินดีเกิดขึ้นพร้อมกันกันกบจิตน้อมเข้าไปยินดีในอารมณ์ มีภาวะอยู่สองอย่างขณะนั้นสภาพของสิ่งสองสิ่งนี้ถ้าเรากําหนดความรู้สึกในอารมณ์เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะถ้าเรากําหนดความรู้สึกยินดีในอารมณ์เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะใกล้กันมากนะตรงนี้นะภาวะจะใกล้เคียงกันมากเลยโลภะเกิดในจิตพวกไหนโลภะเกิดในโลภะมูลจิตเห็นไหมสภาพของโลภะเนี่ยเกิดในโลภามูลจิต ความรู้สึกยินดีเนี่ยเกิดในโลภะมูลจิตเขาเกิดพร้อมกันแต่เขาทําหน้าที่ต่างกันมีจิตกับมีโลภะเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็น้อมเข้าไปหาอารมณ์สิ่งเดียวกันโลภะเกิดขึ้นมาจิตก็เกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันแล้ววิ่งไปหาอารมณ์เหมือนกันน้อมไปหาสิ่งสิ่งนี้เหมือนกันแต่เข้าไปกระ ท, ทํากิตต่างกันเวลาเข้าไปกระทํากิตจิตทําหน้าที่น้อมไปหาสิ่งนี้เท่านั้นเอง ทำกิตเพียงแต่น้อมไปหาสิ่งสิ่งนี้แล้วโลภะที่เกิดพร้อมกันกับจิตเผาเข้าไปทําหน้าที่ยินดีในสิ่งนี้เวลาดูเนี่ยดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะถึงกันทั้งสองอย่างดูจิตจะรู้ว่าจิตมีความรู้สึกยินดีเกิดพร้อมด้วยดูความรู้สึกยินดีจะรู้ว่าความรู้สึกยินดีเกิดในจิตถ้าเราดูจิตก็จะรู้ว่าจิตเนี่ยเขามีความยินดี ถ้าดูความยินดีก็จะรู้ว่ายินดีเกิดในจิตดูแบบนี้อย่างนี้ถ้าดูจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าดูความรู้สึกยินดีเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเรื่องของวิชาการเวลากําหนดแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเวลากําหนดเราแยกไม่ออกว่าเป็นอะไรอะไรวยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าไปแยกแยะได้วันนี้คือจิตนี่คือธรรม อันนี้เมื่อเราแยกแยกไม่ได้ทําไมอ่ะเมื่อมีความรู้สึกอะไรอะไรเกิดขึ้นนะอาศัยความรู้สึกนั้นๆเป็นอารมณ์ของสติเป็นอารมณ์ของสัมปชัญญะนะจะเป็นความรู้สึกยินดีหรือเป็นความรู้สึกน้อมเข้าไปหาอารมณ์ก็แล้วแต่ถ้าเราแยกไม่ออกเราก็ไม่ต้องแยกเมื่อมีความรู้สึกชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นอาศัยความรู้สึกนั้นๆเป็นอุ ป, ปกรณ์ให้สติเข้าไประลึกถึงเป็นอุปกรณ์ให้สัมปชัญญะบังเกิดขึ้น เท่านี้ก็พอแล้วเพระจุดมุ่งหมายเราต้องการอะไรอ่ะจุดมุ่งหมายเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปกําหนดรู้ว่าเขาเป็นอะไรอะไรนะจะต้องจะต้องเข้าใจประเด็นให้ดีด้วยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปกําหนดรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าจิตหรือเรียกว่าธรรมเราไม่ได้กําหนดรู้อย่างนั้นแต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงเมื่อเขามีอยู่เขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านให้เราเนี่ยอาศัยเขาแล้วเอาสติไประลึกถึงเป็นอุปกรณ์ให้สติเกิด สัมปชัญญะเขไปรู้สึกเป็นอุปกรณ์ให้สัมปชัญญะเกิยนี่คือประเด็นสําคัญเพราะนี้ในเรื่องของจิตในท่านก็นแสดงว่าจิตมีราคะก็ให้กําหนดนะ ร, รู้สราคังวาสราครังจิตตัณติปชานาติจิตมีราคะเวลาใดให้กําหนดรู้จิตในเวลานั้นวีตราครังนะคือจิตปราศจากราคะจิตมีราคะเกิดขึ้นเวลาใดให้กําหนดรู้ จิตปราศจากราคะเกิดขึ้นเวลาใดก็ให้กําหนดรู้ท่านท่านต้องการให้เรากําหนดรู้เนี่ยกําหนดรู้กําหนดรู้สภาพจิตนะจะเป็นจิตอะไรอะไรก็แล้วแต่อันนี้จิตมีโทสะเกิดขึ้นมาเวลาใดก็ก็ให้กําหนดรู้จิตปราศจากโทสะก็ให้กําหนดรู้จิตมีโมหะก็ให้กําหนดรู้จิตปราศจากโมหะก็ให้กําหนดรู้จิตพุ้งท่านก็ให้กําหนดรู้นะจิตหดหูก็ให้กําหนดรู้ จิตหดโหดจิตฟุ้งซ่านหดโหดคืออะไรหดโหดเนี่ยเคยเคยหดหูดบ้างไหมมาปฏิบัติที่นี่รู้สึกหดโหดบ้างมไหมมีใครหดโหดบ้างไม่มีเลยนะจิตหดโหดคือจิตเกิดอาการง่วงนอนจิตมีถีนมิถะนั่นว่าจิตที่มีถีนมิถะคือจิตหดโหดแล้วก็จิตฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆเป็นภาวะจิตชนิดใดเกิดขึ้นก็ตามกําหนดรู้ ก, กําหนดรู้ความรู้สึกที่ถดถอยต่ออารมณ์ แล้วก็กำหนดรู้ความรู้สึกที่พล่านไปในอารมณ์สองอย่างทแทนให้เรากำหนดรู้จิตเข้าถึงความเป็นฌานแต่เลวจิตเป็นมหคตะคือเจริญสติภาวนาเนี่ยจนสมาธิจิตเกิดได้ฌานจิตจิตเข้าถึงความเป็นฌานคือเข้าถึงความแนบแน่นเวลาใดเอาจิตที่เข้าถึงความเป็นฌานมาเป็นอารมณ์ของสติได้จิตยังไม่เข้าถึงความเป็นฌาน ก็เอาจิตเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ของสติได้อันนี้จิตที่เข้าถึงความเป็นฌานกับจิตที่ไม่เข้าถึงความเป็นฌานถ้าเราจะกําหนดคู่นี้ต้องมีฌานในจิตก่อนนะถ้ายังไม่มีฌานในจิตจิตที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นฌานก็ไม่ต้องเอามากําหนดจะอยู่ในหมวดอื่นที่ท่านแสดงอีกจิตที่มีจิตอื่นเนี่ยอยู่เหนืออยู่ยิ่งฝ่าเหนือฝ่ายิ่งฝ่ากับจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งฝ่า ท่นก็แสดงจิตสองชนิดตอนนี้อภิธรรมเริ่มมานะตรงนี้มีอกุศลลจิตมีกามาวจรัโสภณจิตแล้วก็มีรูปาวจรัจิตอารูปาวจรัจิตโลกุตรจิตในบรรดาจิตที่ท่านแสดงเนี่ยแต่จิตที่จะเอามาเป็นอารมณ์ของสติทําให้ปัญญาเกิดนั้นเนี่ยโลกุตรจิตท่านไม่เอาเอาแต่เฉพาะโลกียาจิตอย่างเดียวเมื่อเอาโลกียาจิตมาแสดงอย่างเดียวก็จะได้จิตสองชนิด จะมีรูปาวัจระจิตอารูปาวจระจิตแล้วก็มีกามาวจระจิตเวลาใดจิตเป็นกามาวจรเรียกว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าเวลาใดจิตเป็นรูปาวจรอารูปาวจรเรียกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเวลาเทียบกันกับกามาวจรปรเดีนท่ารูปาวจรกับอารูปาวจรเนี่ยที่เป็นรูปาวจรเป็นจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือมีอารูปาวจรยิ่งกว่า พอไปถึงอรูปาวจรท่านแสดงว่าเป็นจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งฝาแสดงได้สองชนิดตรงนี้พูดไปตามหลักวิชาการหน่อยไม่เข้าใจก็เอาไว้เท่านี้นะแล้วก็จิตตั้งมั่นกับจิตไม่ตั้งมั่นนแสดงไว้สองชนิดนะสมาหิตังอะสมาหิตังจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นสมาธิมาดูตรงนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้เราอาศัย อาศัยสมาธิจิตเป็นอารมณ์ของสติก็ได้อาศัยจิตที่ไม่มีสมาธิเป็นอารมณ์ของสติก็ได้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าบุคคลที่ได้ศึกษาสติปัฏฐานมาแล้วที่ติดสมาธิอยู่เนี่ยจะเข้าใจดีตรงนี้คือพอเห็นจุดพุดท่าประสงค์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะถอนจิตออกจากสมาธิและทิ้งสมาธิได้ท่านให้เรามองเห็นจิตสองประเภทเนี่ยมีคุณค่าเท่ากัน ระหว่างจิตเป็นสมาธิกับจิตฟุ้งเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนไม่ตรงนี้จิตฟุ้งกับจิตเป็นสมาธิเนี่ยถามถามว่าเหมือนกันไหมตรงนี้เหมือนเหมือนหรือไม่เหมือนถ้าเราเจริญวิปัสสนามาดีๆเนี่ยเราจะบอกว่าเหมือนกันถ้าเจริญมาไม่ดีเนี่ยจะไม่เหมือนกันท่านให้เราเข้าไปมองในสถานะเหมือนกันะเหมือนกันอย่างไรอ่ะเหมือนกันในสถานะจิตฟุ้งสร้างอาศัยเป็นอารมณ์ของสติและสัมปชัญญะได้ เหมือนกันในสถานะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็อาศัยเป็นอารมณ์ของสติและสัมปชัญญะได้เ mm hmm. ดี๋ยจะเหมือนกันตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมท่านมาตีราคาเหมือนกันเลยจิตที่ฟุ้งกับจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยท่านให้ราคาเท่ากันคือให้คุณค่าเท่ากันในฐานะเอามาเป็นอุปกรณ์ให้สติระลึกถึงมาเป็นอุปกรณ์ให้ให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นและท่านไม่ได้ให้ความสําคัญสมาธิมากมายอะไรเลย ให้ความสําคัญในสถานะว่าถ้าเกิดขึ้นมาเวลาใดก็เอาสติเข้าไประลึกถึงได้นะแล้วก็เอาสัมผัญญัเข้าไปรับรู้ได้หรือจิตฟุ้งก็เหมือนกันไม่ต้องตกใจไม่ต้องไม่พอใจในจิตที่ฟุ้งเมื่อฟุ้งเวลาใดก็เอาสติระลึกถึงได้แล้วก็เอาสัมผัส ญ, ญักเข้าไปรู้ได้และถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติแหละสาหรับท่านที่นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบเนี่ย ให้เราดูตรงนี้ว่าพระบิดาเจ้าท่านไม่ได้ให้ความสําคัญแก่สมาธิไม่สงบก็ไม่เป็นไรจิตฟุง้งเอาฟุ้งก็ไม่เป็นไรฟุ้งก็เอาประโยชน์จากการฟุง้งอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดสงบขึ้นมาเนี่ยทำยังไงอ่ะสงบท่านก็ไม่ให้เราติดไปเอาประโยชน์จากความสงบโดยเอาสติเข้าไประลึกถึงเมื่อสติเข้าไประลึกถึงจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราก็จะไป รู้สึกในสภาพจิตนั้นจิตตั้งมั่นกันจิตเป็นสมาธิยังจิตจิตฟุงส่านกันจิตเป็นสมาธิยังเหมือนกันเองนะเหมือนกันที่ตรงไหนเหมือนกันที่ลักษณะ <pt im> ลักษณะเนี่ยเหมือนกันคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเขามีสภาพเป็นสามมั ญ, ญลักษณะ <pt im> เป็นอนิจจโทขะอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาก็คือว่างล่า จิตที่ฟุ้งก็เหมือนกันจิตฟุ้งเนี่ก็มีลักษณะเหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นการเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพูดในฐานะเป็นอารมณ์ของปัญญาเนี่ยเป็นได้พอๆกันระหว่างจิตฟุ้งกับจิตที่เ อ, อตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นสมาธินคราวนี้เวลาเราปฏิบัติไปแล้วมันเกิดฟุ้งเนี่ยเราก็จะไม่ไม่เดือดร้อนใจแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะไม่เดือดร้อนใจอยากฟุ้งก็ฟุ้งไป พอเราปฏิบัติเนี่ยเราเราไม่ได้มามามีจุดมุ่งหมายจะเอาความสงบเราเข้าใจแบบนี้นะสายให่ในลักษณะนี้พอเราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อมุ่งหมายเอาความส ง, งบพระพุทธเจ้าให้เรามาปฏิบัติเพื่อให้มีสติและสัมปชัญญะถ้าจิตฟุ้งเราก็อาศัยจิตที่กําลังฟุ้งเนี่ยระ ล, ลึกถึงสติก็เกิดและเข้าไปรู้สึกสัมปชัญญะก็เกิดเท่านี้ถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาทําแบบไหนท่านก็ไม่ได้ให้เราติดในสมาธิ ถ้านให้เราเข้าไปกําหนดรู้เราเข้าไปกําหนดรู้เราก็จะเห็นสภาพจิตที่ตั้งมั่นเขาก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับภาวะจิตนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ท่านต้องการให้เราอาศัยให้สติกับสมปัญญะเข้าไประลึกและรู้สึกเท่านั้นเองก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ผูกพันอยู่กับสมาธิจิตจะทําให้เราวางเฉยในสมาธิจิตและจะทําให้เราเนี่ยไม่เกิดปาฏิฆะใน อุดทัดจะในความฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่เกิดปฏิฆะจิตของเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราจะเอาประโยชน์จากภาวะจิตที่เกิดขึ้นกับเราขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็จะเกิดความรู้สึกแบบนี้พอเราเกิดความรู้สึกแบบนี้การปฏิบัติของเราเนี่ยจะก้าวหน้าและจะทําให้การปฏิบัติของเราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นจิตหลุดพ้นท่านก็ให้กําหนดรู้นะจิตยังไม่หลุดพ้น ก็ให้กำหนดรู้หลุดพ้นแล้วทําไมต้องไปกําหนดอ่ะหลุดพ้นแล้วเนี่ยหลุดพ้นเนี่ยมีหลุดพ้นเด็ดขาดก็มีหลุดพ้นแบบชั่วคราวก็มีถ้าหลุดพ้นเด็ดขาดเนี่ยไม่ต้องเอามากําหนดแล้วแต่หลุดพ้นชั่วคราวเนี่ยภาวะจิตนั้นท่านให้เอามากําหนดเป็นอารมณ์ของสติท่านเรียกว่าตะทางฆะนะหรือวิขมพนะหลุดพ้นเพียงชั่วพักชั่วยามหลุดพ้นด้วยอํานาจของฌานจิตเนี่ยขมไว้ด้วยฌานจิต จิตที่พ้นจากกิเลสด้วยการข่มไว้หรือพ้นกิเลสเป็นพักๆชั่วครั้งชั่วคราวพ้นด้วยอํานาจของฌานนจิตเวลาฌานนจิตเกิดกิเลสก็ไม่เกิดเวลาฌานนจิตดับไปกิเลสก็เกิดเนี่ยท่านเรียกว่าหลุดพ้นเป็นชั่วครั้งชั่วคราวภาวะจิตตรง น, นี้นี่แหละเอามาเป็นอารมณ์ของสติเป็นอารมณ์ของสติได้ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องเรื่องของจิตเนี่ยนะเรื่องของจิตนี่ก็อยากจะให้เราเนี่ย ทำความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับจิตอันนี้เราจะทาําความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับจิตอย่างไรอ่ะคือเราฝึกดูความรู้สึกของเราจิตมีหน้าที่คิดถึงนะเราใช้ภาษาง่ายๆว่ามีหน้าที่คิดถึงในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดถึงเรื่องต่างๆเคยสังเกตไหมเราคิดถึงเรื่องอะไรบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งคิดถึงตลอดวันหรือเปล่า ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็คิดถึงตลอดคิดถึงตรงนั้นคิดถึงตรงนี้อยู่ที่ห้องพักก็คิดถึงหอธรรมอยู่หอธรรมก็คิดถึงห้องพักได้เวลาก็คิดถึงอาหารเช้าน้ําปานะมาก็คิดถึงน้ําปานะมีไม่มีคิดถึงบ้างไหมมีไหมนั่นแหละเป็นสภาพของจิตให้เราเข้าใจนะตัวคิดถึงน่นคือจิตเพื่อเราจะเข้าไปสู่ภาวะแห่งการกําหนดได้ง่ายมีราคาไม่มีราคายังไม่ต้องไม่ต้องไปรู้จิตแค่เพียงหน้าที่คิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึงใครคนใดคนหนึ่งก็คือจิตคิดถึงบ้างหรือเปล่าวะมาอยู่ที่นี่หลายๆวันเนี่ยคิดถึงบ้างไหมนั่นแหละจิตคิดถึงเกิดเวลาใดเอาตัวคิดถึงตัวนั้นมาเป็นอารมณ์ของสติเอาความรู้สึก น, นั้นเนี่ยมาเป็นอารมณ์ของสติเอาสติเข้าไประลึกถึงตรงนี้เป็นอุปกรณ์ในการเจริญสติเป็นอุปกรณ์ให้ให้สำปัญญะแล้วสติของบุคคลเนี่ยมีอานุภาพจิตคิดถึงเวลาใดเอา เอาสติเข้าไประลึกถึงแล้วตัวคิดถึงก็หยุดเวลานั้นเหมือนกันคิดถึงกันเหมือนใจจะขาดเนี่ยเคยคิดไหมคิดถึงกันเหลือเกินคิดถึงกันเหมือนใจจะขาดไอ้คิดถึงกันเหมือนใจจะขาดถ้าสติไประลึกถึงจิตตรงนั้นได้คิดถึงก็จะหยุดทันทีงั้นสติห้ามความรู้สึกลักได้ห้ามความรู้สึกชังได้สองอย่างจิตของบุคคลที่คิดถึงเนี่ยคิดถึงแล้วผูกพันรักใคร่คิดถึงแล้วเกลียดชังมีอยู่สองอย่าง ถ้ากำหนดจิตที่คิดถึงนั้นได้จิตก็จะหยุดคิดถึงทำไมจึงเกิดความรู้สึกรักทำไมจึงเกิดความรู้สึกชังอ่ะทำไมจึงเกิดความรู้สึกชอบใจจิตมีราคะทำไมจึงเกิดความรู้สึกขัดใจจิตปราศจากจิตมีโทสะท่านบอกว่าราคะและโทสะเกิดขึ้นจากการดําริดําริเป็นไปในสองสถานะเข้าไปดัาริว่าดีประการหนึ่งเข้าไปดําริว่าไม่ดีประการหนึ่ง ภาษาธรรมะจะแท้คาว่าสุภาษิตเนี่ยเป็นสุภาษไม่ดีเป็นอสุภาษพอเข้าไปดําริว่าดีเนี่ยดําริในฐานะเป็นสุภาษณิมิตเข้าไปดําริว่ารูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีสัมผัสดีเข้าไปดำริอย่างนี้พอเข้าไปดําริว่ารูปดีเสียงดีรสดีสัมผัสดีความรู้สึกพอใจในดีๆก็จะเกิด เข้าไปดำริในปฏิฆะนะขออภยัยนะไม่ใช่อสุภะนะเข้าไปดำริในปาิฆะปฏติฆ ะ, ะ, ะนิมิตเข้าไปดำริในปฏิฆะนิมิตก็คือเข้าไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีรูปไม่สวยเสียงไม่เพราะกลิ่นเหม็นรสไม่อร่อยร้อนเหลือเกินหนาวเหลือเกินอย่างเงี้ยการเข้าไปดำริสาคัญมั่นหมายในลักษณะนี้ จะทําให้เกิดความรู้สึกขัดใจทําให้เกิดปฏิฆะคุณสภาพของราคะและปฏิฆะจะเกิดขึ้นจากการดําบุตเห็นแล้วเข้าไปดําบุตว่าดีเห็นแล้วเข้าไปดําบุตว่าไม่ได้เรื่องสองอย่างเนี่ยเข้าไปสํำคัญมั่นหมายว่าดีราคะก็จะเกิดเข้าไปสําคัญมั่นหมายว่าไม่ดีเนี่ยไม่ได้เรื่องเนี่ยโทสะก็จะเกิดอันนี้เมื่อราคะเกิดเกิดที่ไหนเกิดในจิตโทสะเกิดเกิดที่ไหนเกิดในจิตจิตก็ยินดีในรูป ขัดใจในรูปไอ้ที่ยินดีในรูปเนี่ยเพราะปลาลบถึงรูปนั้นว่าดีไอ้ที่ขัดใจในรูปเพราะปลาลบถึงรูปนั้นว่าไม่ดีจิตเขาคิดถึงท่านให้ดูจิตพอดูจิตเนี่ยนะจิตของคนเราขณะหนึ่งรู้ได้เพียงอย่างเดียวเนทะ่านั้นจะรู้พร้อมกันสองอย่างไม่ได้พอเรามาดูจิตจแสดงว่าจิตรู้จิตแล้วคราวนี้พอมาดูจิตปลาลบถึงจิตพวามรู้สึกเนี่ยมันเกิดภายใน เรารู้สึชใใ ก, ออกชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยเกิดภายในพอย้อนกลับมาดูความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยจิตก็ปล่อยลูกที่เข้าไปสําคัญมั่นหมายว่าดีและไม่ดีเมื่อสักครู่นี้พ อ, อาจิตมาดูความรู้สึกจิตก็ปล่อยลกูกพอจิตปล่อยลูกยินดีในลูกก็ไม่เกิดยินร้ายในลูกก็ไม่เกิดเพราะรู้เท่าทันการรู้เท่าทันจิตจะไปสกัดจิตภากจิตให้ออกจากสิ่งที่เขาไปผูกพันยินดีและเข้าไปสําคัญมั่นหมายว่าไม่ดี จิตที่ยินดียินร้ายก็จะไม่เกิดชื่อว่าขจัดความรู้สึกยินดียินร้ายออกจากจิตได้เมื่อรู้เท่าทันจิตเอาความรักนะขจัดความรักเอาความโกรธขจัดความโกรธเข้าใจไหมตรงนี้เอาความรู้สึกรักมาขจัดความรักเอาความรู้สึกโกรธมาขจัดความโกรธโดยการเข้าไปรู้ทันในจิตที่ผูกพันลละใกล้และจิตที่เกิดปฏิกะคือความโกรธ ความรู้สึกลักและความรู้สึกโกรธจะไม่เกิดขึ้นเราานี้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยความไม่สบายใจมีอยู่บ่อยๆใช่ไหมทำไมจึงไม่สบายใจไม่สบายใจจากที่ทำงานบ้างไม่สบายใจจากจากที่บ้านบ้างสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเรารู้สึกไม่ชอบใจเราก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยภาวะจิตเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เดือดร้อนใจไม่สบายใจเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจเดือดร้อนใจภาวะจิตเหล่านี้ทั้งหมดเราสามารถนำเอามาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราได้เสียใจเวลาใดเข้าไปรู้สึกในความเสียใจนั้นทุกข์ใจเวลาใดเข้าไปรู้สึกในความทุกข์ใจนั้น เดือดร้อนใจในเวลาใดเข้าไปรู้สึกในความเดือดร้อนใจนั้นเศร้าหมองเวลาใดเข้าไปรู้สึกในความเศร้าหมองนั้นถ้าเข้าไประลึกรู้สึกในภาวะจิตนั้นๆความรู้สึกเสียใจเดือดร้อนใจก็จะหมดไปแล้ขจัดความทุกข์ออกจากใจเนี่ยด้วยสติอาศัยสติเนี่ยระลึกถึงและรู้สึกก็จะขจัดออกได้ ลองดูใจทุกข์แล้วจะดับทุกข์ใจได้ใจที่กำลังทุกข์ดับทุกข์ใจโดยอาศัยใจที่กำลังทุกข์บุคคลที่ผิดหวังแล้วเสียใจเอาใจที่กำลังทุกข์เนี่ยมากำหนดรู้ความเสียใจจากการผิดหวังก็จะหมดไปทำไมจึงเสียใจเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรารักจากเราไปเสียแล้วสิ่งที่เราชอบใจอันตรฐานไปจากใจเราเสียแล้ว เขาจากเราไปแล้วเนี่ยคิดอย่างนี้มันมันเกิดความรู้สึกมันรู้สึกว่าเราต้องสูญเสียไอ้ความรู้สึกสูญเสียเนี่ยเป็นเป็นความรู้สึกที่ทําให้ใจเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสติกําหนดทันความรู้สึกนั้นๆน่ะถ้าเราทันความรู้สึกนั้นทุกข์ใจจะไม่เกิดขึ้นจิตจะเบานะเบาสบายเราอย่าหนีทุกข์ ทุกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีนะทุกเป็นปรินโยยิกิจใช่ไหมเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้เรากําหนดรู้ทุกเพื่อต้องการจะให้เราไม่ทุกข์ใจสาเหตุน่ที่ท่านให้เรารู้ทุกเนี่ยเพื่อดับทุกทางใจเพราะถ้าเราเข้าไปรู้ทุกแล้วใจจะไม่ทุกแต่ถ้าเราหนีทุกทุกจะวิ่งตามเราเราจะหนีไม่พ้นฉะนั้นท่านจึงให้เราต่อสู้ทุก ให้เรากาหนดรู้ทุกใส่ใจในทุกจะเป็นทุกอะไรเกิดขึ้นกาหนดรู้ถ้าไปกาหนดรู้ทุกใจเกิดขึ้นมาเวลาใดกำหนดรู้ใจที่กำลังทุกเวลานั้นเศร้าโศกใจเกิดขึ้นมาเวลาใดกำหนดใจที่กำลังเศร้าโศกเวลานั้นเสียใจเกิดขึ้นมาเวลาใดกาหนดใจที่กำลังเสียเวลานั้นและความรู้สึกทุกใจเดือดร้อนใจก็จะหมดไป อันนี้เป็นอุบายง่ายๆคําคโบราณท่านบอกว่าใชานนาน้น้ําบ่งน้ำน้ําตําให้เอาน้ําบ่งเกิดทุกข์ให้ดับทุกข์จากทุกข์ที่เกิดอพอพอจะเข้าใจไหมแบบนี้พอพอเข้าใจไหมถ้าใครที่กําลังทุกข์ใจเนี่ยนะอาศัยใจของท่านที่กําลังทุกข์มากาหนดรู้แล้วเราพิสูจน์หลักธรรมะของพระพรุทธเจ้าว่าเป็นสัจธรรมหรือเปล่าไปทดลองดูนะ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมัยใดยุคใดนะถ้าเสียใจเอาใจที่กำลังไม่สบายมากำหนดรู้ก็จะดับความเสียใจได้ทุกยุคทุกสมัยไปหลักธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นสัจธรรมแล้วก็ไม่ล้าสมัยเป็นของใหม่อยู่เสมอใช้ได้ตลอดไปแต่เราไม่ได้นำเอามาใช้กันเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันวุ่นวายใจเวลาใดดับความวุ่นวายด้วยการรู้ใจที่กาลังวุ่น เดือดร้อนใจเวลาใดดับความเดือดร้อนใจด้วยใจที่กํำลังเดือดร้อนะ <c oughs> กำหนดกลับลงไปตรงนี้พอกําหนดกลับลงไปตรงนี้แล้วก็จะดับดับได้ทันทีทันใดเลยเรารู้ใช่ไหมเราไม่สบายใจเนี่ยเรารู้เราโกรธเนี่ยเรารู้ใช้โกรธ ด, ดับโกรธทุกมาจากไหนทุกมาจากความรูร้สึกขัดใจคือโกรธเป็นหลักทุกมาจากความพอใจเป็นรองจริงสิ่งที่ทําให้ใจทุกเนี่ยมีแค่สองสิ่งเท่า น, นั้นเองพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่ามีแค่สองสิ่งเท่านั้นน่ย สองสิ่งคืออะไรอ่ะสิ่งที่หนึ่งก็คือรู้สึกชอบใจสิ่งที่สองก็รู้สึกขัดใจภาษาธรรมบัติใช้คําว่าอภิชาและโทมนัตอภิชาและโทมนัตเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้เราเกิดทุกข์ใจยินดีและทําไมจึงทุกข์ยินดีอยากได้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ขึ้นมายินดีอยากได้ได้มาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างไรต้องรักษาต้องระวังกลัวสิ่งที่ได้มาจะอันตรธานไป นั้นความรู้สึกยินดีเป็นเหตุให้ใจทุกข์คราวนี้ยินดีอยากได้ไม่ได้ยินดีเปลี่ยนเป็นยินร้ายยินดีอยากได้แล้วได้มากลัวสิ่งที่ได้มาจะหายไปเปลี่ยนเป็นยินร้ายอีกไอ้กลัวจะหายไปคือโทสะนะเป็นยินร้ายยินดีอยากจะได้นะแล้วได้มาเนี่ยต้องระวังรักษาความหวาดกลัวก็เกิดขึ้นฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็นปฏิฆาหมด วาระสุดท้ายจริงๆทุกไปลงตรงปาติคะจากราคะไปสู่ปฏิคะแล้วก็ทําให้ใจเป็นทุกข์ทําให้ใจเนี่ยเดือดร้อนทําให้ใจของเราเนี่ยวิตกทําให้ใจกังวลใจดิ้นรนใจปัดแปงใจทัดสายสรุปมาแล้วก็คือใจส่งออกไปข้างนอกพอใจส่งออกไปข้างนอกก็ไปพบสิ่งที่น่าพอใจก็ยินดีพบสิ่งที่น่าขัดใจก็ยินร้ายยินดียินร้ายก็เกิดแต่ถ้าเจริญสติปัฏฐานเอาใจมาไว้ข้างในรู้กายรู้ใจ ก็จะพลากนะพลากใจออกจากสิ่งที่น่าเยินดีและน่าเยินร้ายพอามรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจก็จะหมดไปอันนี้เป็นเรื่องของจิตนะถ้าจะพารนากันจริงๆถ้ามันยาวมากนะสมายกมาพอให้เห็นโดยสังเขปเท่านั้นเองอันบอกว่าจิตมีอยู่นะจิตมีอยู่จิตที่มีกรรมฉันทะนะหรือจิตที่มีโลภมีโทส ะ, ะมีโมหะ จิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะนะในบรรดาจิตสิบหกชนิดนั้นนะมีอยู่ท่านก็ให้รู้นะแล้วก็ดับไปท่านก็ให้รู้ในบรรดาจิตเหล่านี้เกิดขึ้นมาเวลาใดให้กำหนดรู้ดับไปเวลาใดให้กำหนดรู้ทั้งเกิดขึ้นและดับไปก็ให้กำหนดรู้ไปกำหนดรู้ตอนไหนกำหนดรู้ตอนเข้าเกิด กำหนดรู้ตอนเขาดับแล้วก็ทั้งเกิดทั้งดับท่านจะเน้นเน้นตรงนีนน้นะเน้นการกําหนดเนี่ยกําหนดตอนเขาเกิดขึ้นกําหนดตอนเขาดับไปทั้งตอนเกิดและตอนดับท่านต้องการให้เราไปรู้ทันตรงนั้นจิตมีอยู่ก็เพียงสักด์แต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกเป็นเครื่องอาศัยให้เกิดความรู้สึกเท่านั้นพอเข้าไปอาศัยระลึกไปรู้สึกแล้วตัณหากับทิฏฐิจะไม่อาศัยเกิดท่านแสดงไว้อย่างนี้ ถ้ากําหนดรู้ไม่ทันตัณหากลับทิฏฐิจะอาศัยเกิดแต่ถ้าไปกําหนดรู้ทันตัณหาก็จะอาศัยเกิดไม่ได้ทิฏฐิก็จะอาศัยเกิดไม่ได้ในขณะที่เราเข้าเข้าไปรู้เท่าทันจิตนั้นภาวะของจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาเวลาใดใส่ใจเระลึกจะทําความรู้สึกเข้าไป ล, ลึกรู้เข้าไปกําหนดรู้ท่านต้องการให้เรากําหนดรู้อุบายวิธีต่างๆเนี่ยก็ไปยุติลงตรงที่กําหนดรู้ นั่นประเด็นหลักจริ ง, รงๆของการปฏิบัติธรรมก็คือสติและสัมปชัญญะจะไปลงประเด็นหลักตรงนี้หมดนะทําให้สติเกิดทําให้สัมปชัญญะเกิดทําให้ความ ร, รู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดรู้กายรู้ใจสรุปแล้วการปฏิบัติทั้งหมดมาสรุปลงตรงที่รู้กายและรู้ใจของตัวเราเองถ้าเรารู้กายและรู้ใจของตัวเราเองเนี่ยจิตของเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของอะไรอะไร ไม่ตกเป็นธาตุของอาภิชาคือความยินดีไม่ตกเป็นธาตุของโธมนันคือความยินร้ายนั้นที่ทันทลายมาฝึกกันมาเจริญวิปัสสนากรรมาฐานนั้นเน่ยเป็นทางดําเนินที่ถูกต้องแล้วเราจับประเด็นหลักเอาไว้ให้ชัดเจนว่าจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นคือการทําให้สติเกิดขึ้นการทําให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นส่วนประเด็นอื่นเป็นประเด็นรองเรื่องอารมณ์นั้นเป็นแต่เพียงอุ ป, ปกรณ์เท่านั้น พอเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะหมดสงสัยาอารมณ์ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยจะหมดสงสัยเลยจะต้องเป็นพองยุบหรือจะต้องเป็นลมให้ใจเข้าออกหรือจะต้องเป็นอะไรอะไรนั่นเป็นประเด็นรองประเด็นหลักอยู่ที่สติและสัมผัสัญญะต้องทําให้เกิดขึ้นพอเข้าใจแม่วันนี้มาใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะเราคิดว่าพอสมควรเกี่เวลาแล้วจริงๆแล้วยังมีเรื่องเยอะนะ ท, ที่จะพูดกันก็เอามาสรุปสรุปให้พอมองเห็น ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นท่านแสดงไว้ห้าหมวดนะในในหมวดนี้แสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับนิวรธรรมเนี่ยหมวดหนึ่งแล้วก็แสดงเกี่ยวกับขันนะที่เป็นอุปาทานขัน